เปลี่ยนถึงมิติคนของมนุษย์ภายใต้การปกครองของดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นระบบการปกครองมนุษย์เป็นเวลานานมาแล้วเดิมทีเดียวนั้นมนุษย์ไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แต่ถ้าว่าต่อมา เมื่อเกิดนิพพานทุกสามโลกันขึ้นแล้วดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็มีอิทธิคนในการปกครองนุช ด, ด้วยการส่งกระแสร้อยไส่ลุกทุกทุกคนที่เป็นอยู่ในโลกนี้ดวงดาวเหล่านี้ที่สำคัญที่สุดคือดาวลักษณะทั้งเจ็ดคือทางแก้วม้าแก้วขุนทังแก้วขุนพลแก้วจากแก้วแก้วมันนันแก้วเหล่านี้ แต่เท่าที่ลุงพ่อบันเคยที่แจงและที่ตัวจริงให้เห็นนั้นก็มีดาวช้างแก้วซึ่งมีคุณางแก้วอยู่เพราะดาวช้างแก้วเนี่ย ในทัศนะของคนไทยทั่วไปเราเรียกว่าดาวไทยเพราะตอนดาวไทยนึ่งเป็นส่วนดาวดวงดาวที่ชัดมากเป็นส่วนเป็นกระพองช้างและใบหูช้างแกะแต่ถ้าหากว่าเราจะพิจารณาไปตามที่ทันชี้ให้เห็นแล้ว จะเห็นว่ามีดาวเล็กๆเรียรายซึ่งถ้าหากว่าเราลากเส้นกราฟลงมาแล้วก็เป็นจริงอย่งที่ทํานว่าคือเป็นคุ้ณทางแก้วขี่บนคอทางแก้วและกุ่มคนแก้วขี่บนคอมาแก้วนอกจากมาทางแก้วมาแก้วกุ่มคนแก้วคุมทางแก้วดังกล่าวแล้วก็มีดาวรวมาจากสี่ชิศสี่ดวนถ้าหากว่าการทํำวิชาของท่านเอียดแล้วดาวรวมจากทั้งหลายเหล่านี้ จะมาชุมดมกันอยู่กลางท้องฟ้าขณะที่เราเห็นนีมีอยู่สองดวงขณะที่สองดวงนั้นมองไม่เห็นที่เราเห็นสองดวงดวงหนึ่งสุกใสไม่เ อ, อื้อยเปรเป็นดาวบรมจักรของฝ่ายขาในทัศน์ของดาราศาสตร์เรียกว่าดาวสุดอีกดวงหนึ่งที่เราเรียกกันโดยทั่ ว, วไปว่าดาวเลษ์หรือว่าดาวประจําเมืองหรือว่าดาวเรื่องอะไรอันนี้แหละ เป็นดาวสุดใสที่บวงหมุนซึน่งมักจะเห็นในลาเ้ามืดอันนี้ก็เป็นดาวรมจากของฝ่ายดำนะครับนอกจากนี้ก็มีดาวนกยูนคุมกลุ่มดาวทั้งหมดเป็นการครอบกลุ่มเป็นดาวของฝ่ายดำเป็นฝ่ายปกครองบู่ขณะ น, นี้แต่ว่าซึ่งทุกคนดาวเหล่านี้ ถ้าหากว่าฝ่ายขาวทำวิชาละเอียดการปกครองมู้เจ้าจักรพรรดิที่ปกครองดาวก็อยู่ใต้อิทธิพลของฝ่ายขาวถ้าหากว่าฝ่ายดํำทำวิชาได้ะเอีดมนุเจ้าจักรพรรดิฝ่ายปกครองเดวงดาวดวงการในึ่งในการปกครองความเป็นอยู่ของมนุษย์ท่านหลายนั้นก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายกลาครับอันนี้มีความสาคัญเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งหลายมากแั่น ในภาคของมนุษย์จึงมีสถิติต่างๆในด้านทพยากรจากการท้นคฟ้าของมนุษย์นับหลายพันปีมาแล้วในระบบโหราศาสตร์บ้างดาราศาสตร์บ้างและโหราศาสตร์นี้ก็าอาศัยแปรากฏการจากท้องฟ้าด้วยดวงดาวที่จจพุทุเจ้าจัพัดบังคับปัญชานั้นเป็น สุดใหญ่ในการสังเกตการณ์เป็นสถิติถ้าหากว่าเกิดดวงดาวอทิตจันทร์อังคารพุธพฤหั ส, สเสาร์นั้นมาสัามพันธ์ทะมุกันอย่างไรแล้วจะมีปรากฏการเป็นอย่างไรและถ้าหากว่ามีดาวหางเกิดขึ้นจะมีปรากฏการเป็นอย่างไรถ้าหากว่ามีจันทค้าศุกรค้า ปรากฏการณ์จะเป็นยังไงถ้าหากว่ามนุษย์ทุกคนได้สังเกตความเป็นอยู่ของตนในขนาดที่ดาวนั้นมีทัมพันธ์จะดีในขณะที่ดาวนั้นโคจรไปทำมุมกันหรือว่าทับกันอะไรต่างๆนั้นจะดีก็จะปรากฏว่าผลปรากฏการ์นั้นเป็นมาเลยครับเช่นในเวลาที่ซื้อาดวงแหวนถ้าหากว่า เจตตาของผู้ใดมีสัมพันธ์ดีกับสิทธิศุขคาดวงแหวนในขณะนั้นบุคคลผู้นั้นจะรู้สึกมีจิตใจกว่าวัดกรุงและเดชดาวทพงของฝ่ายผ้าผ้าขาวอ้าดาลูกใก่เป็นเป็นดาวทพงของฝ่ายผ้าขาวถ้าดาวเดชเป็นของฝ่ายผ้าดำและข้าแก้วมาแก้วคุ้มนแก้วคุนแก้วผู้ใดเป็นฝ่ายผาขาวาดำผ้าขาเป็นของผ้าขาว แล้วขอทราบจำท่านพิจิตรนะจำได้นะมีดาวอะไรบ้างก็มีเขาก็มีดาวในดวงเรืงจเอนอ๋อมีดาวเับ่ดาวข้างแก้วข้าแก้วเขามกมเหมือนกันไม่เหือเราไม่เหือแต่ขเหืออ๋ออ๋อของเขาก็มีของเมก็อยู่น จากดาวท่างแก้วมาแก้วถึงทางแก้วุึงพลิกแก้วแล้วก็ดาวบริมจักรนะฮะคุณแมยังพอจะนกได้ไหมฮะว่ามีอะไรที่ทํานเคยชี้ใหอยูหรือว่าอธิบายดาวลกดววลือกวงดวขึ้นขึงนขึ้นั้นขึนข้นขึ้นขึ้นขึ้นข้น้นขึ้น้นนข้นนน้นนน้น เราแ o บถ้าในดาวโน้นเนี่ยถ้าคุณตรงกลางเนี่ยเราทำอะไรทาร์อะไปเนี้ยเราเดินดาวโน้นเราขึ้มาตรเราทำอะไรเข้าที่เอาเอาเอียดลเอียดเอาม่ใหญ่ถ้าดาวน้นขึ้นไปเราทำอไรไปันนี้เเป็นถังดาวเป็นโครงดาวใหญ่หุ่นดาวเท่นะของใครเราุ้นดาวนี่สรุแล้วคือว่าดาวโนุงเนี่เป็นถังนะคร เป็นถังดาวใหญ่คุมดาวโคตรนะฮะซึ่งเราจะเห็นมักจะเห็นในตอนพราบุกรนะรือว่าตอนนะต อ, อุก้วบาศ ยีงรู้สึุกดวงนะใหญ่มากนะคอย่ใหญ่คร<ม>อบคอบคว่ า, มวาไม่เหมอนกับดาวาคือดาวห่ต้อง ท, ที่จริงแล้วถนัดนะว่าเป็นดาวจริง<ม>เป็นเขาโคง้งลูกนกยูตัวใหญ่ครอบดาวทั้งหมดนะฮะ<ม>และอันนี้หลวงพอาจะบอกว่าอันนี้เป็นถังการปกครองอันใหญ่สำหรับ เอขังใดๆทหมดของฝ่ายเขานะอันน e well, ี้ผมยังได้ว่าดาวองฝ่ายถ้าหากว่าฝ่ายใครละเอียดฝ่ายนั้นก็ยิ่งเปคนของดาวนะผมต้องว่าอย่างเส้นหนีของดาวรจะสงเกไดาวอันไหนเป็นฝ่ายดาวไหนปของฝ่ายขาวท่านบอกผมบอกว่าถ้าดาวที่ไม่มีแสงแลยยนันเป็นของฝ่าย ถ้าหากว่ามีแสงเลยยึบยับแนวเป็นของฝ่ายต่าแต่ก็ไม่เนียจะเหนอไปถ้าหากต่าไ่ายใดหยุดก็หาจะสอใต้มาให้มีแสงไปในฝ่ายของตนไ้นะฮะอันนี้จาได้ลและมีอะไรที่น่าพอจะจำได้อีกเยอมากค่ะเยอะมากจะมีอย่างนี้ไอ่ดาวพร้อมดาวอะไรทีมีพอจะจำได้ไหมีได้จำได้ายได้จำได ทีนี้อันอีกอันหนึ่งน่าอจะจาได้ไหว่าเวลาที่ดาวอะไรมาสัาคัญกับดาวอะไรเนี่ยน่ามีปรากฏการอย่างไรเกิดขึ้นในในในมนุษย์นี่ผมยังจำได้ว่าในขณะที่เอ่อหพ่อตอนที่ผมดูบนท้องฟ้าว่ะไอ้ดาวลูกไก่เนี่ยมาใกล้ดาวจัะรุกม้าที่รจะบบลลงกรุงเทพทุกคืนเนี่ยน่าจาได้เวืจั นะดวงันรวงกันทร์ทานเนี่ยมาจมูกมามีเกสคาอ๋อดวงจันนี่นะดวงนร์อ๋อทับ่านาจมูกมากใกล้จมูกมาถ้าใกล้จมูกมาแล้วก็อิบัติเหุไหนอเห้นในโลกนี้เป็นแบบมหาสงครามเลย้นทารก็เลมาแบบที่ยึเข้ามาแล้ว แต่ก็ยังจําได้ใกล้ๆปากว่าหาหาว่าดาวลูกไก่นะฮะที่ดาวธงมั้นไปชิ้งจมุกว่าวันไหนเนี่ก็ลูกกระเบิกมาเทือเทือกมีที่นี่เป็นเดียวที่ได้แต่ว่าลักษณะดนันอื่นน่าจําได้ไหมว่าเวลาดาวอะไรมาสัมพันธ์กับอะไรแล้วมันมีการกดจำเพราะว่าไอ้ได้รับคำอธิบายจากท่านว่าเขาจะไปจดกับดวงไหนที่เป็นฐานบอดดั๊นะ คือไม่ใช่เป็นดาวเฉพาะอย่างที่ทางดาราศาสตร์เขาเข้าใจกันว่าดาวหางดวงนี้ห่างโลกเท่าไรเท่าไรเมื่อนั้นจะโคจรมาอย่างนั้นอย่างนี้ท่านบอกว่ามันเป็นการเดินเครื่องให้ต่อหางกับดาวดวงใดให้ปปรากฏในประเทศใดให้มนุษย์แถบใดเห็นเป็นวิบัติในพื้นภูมิสําหรับคนในแถบนั้นอะไรอย่างเนี้นะคุณน่ายังพอจะจําได้ไหมฮะ นี่อันนี้ผมผมจําได้ขนานั้นว่าสําสหรับดาวหางเนี่ยนะก็เป็นวิธีการเติมหางดาวของแต่ละดวงที่จะให้มนุษย์ในแถบนั้นเห็นเป็นนิมิต ร, ร้ายดีสําหรับในแถบนั้นนะที้นอกจากนั้นแล้วสําหรับเรื่องดาวเนี่ยก็มีอีกอันหนึ่งการเติมรัศมีดาวคุณน้าจะจําได้ไหมว่า การเติมนักสิงหีดาวนั่นแหละเขาทำกันยังไงคุณบอกว่ามันดาว ท, ทุกดวงนี่มันมีดวงเติมครับมันมีที่ไหนดวงนี่มันก็เปิดวาดวงนี้ จับเขไม่ได้ดังนั้นเราจะปิดพระพิโรธนี้ปิดไม่ได้ดูองเล็กเขาเคยพระสงฆมิตต่อพรนสงฆ์ ต, อต่ตอนะครับผมก็จําได้ว่าอย่างนั้นคือการเติมรัศมีดาว่มีอยู่สามวิธีด้วยกันนะฮะวิธีที่หนึ่งนะฮะโดยการเติมเฉพาะดวงอย่างที่มนุษย์เราเรียกว่าผีผู้ตายะนะฮะถ้าหากว่าเติมเฉพาะดวงดวงนั้นอะรัศมี แล้วก็หรือว่าโดนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ประมูลนิดไปอย่างที่คุณหน้าว่านั้นแล้วเขาก็ทรงอย่างเฉียดขาดฉับพลันด้วยการเติมโดยอย่างที่เราเรียกว่าผีพุ่งใต้คือจากด้วนหนึ่งทรงไปอี ก, อกดวนหนึ่งโดยฉับพลันนี้วิธีที่สองวิธีที่สองนี่ก็อย่างที่เราเห็นเห็นกันบ่อยๆว่าทางช้างเผือกทางช้างเผือกในทางดาราศาสตร์เข้าใจกันอย่างหนึ่ง ว่าเป็นกลุ่มเมฆกลุ่มควันอะไรของเขาแต่ว่าทวีตหลวงพ่อท่านเคยบอกทวีตผมจําได้ทางช้างเผือกนี่ก็เป็นวิธีการเติมรัศมีดาวทั่วท้องฟ้าเวลาที่กวาดไปจากขอบฟ้าด้านหนึ่งไปสู่ขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งนั่นแหละเป็นการเติมรัศมีดาวทุกๆุกดวงพร้อมกันนะซึ่งต่างกับการเติมแบบผีพงศายและอีกวิธีหนึ่ง อ, อันนี้ผมสังเกตว่า ในสมัยที่ท่านกําลังทําวิชาอย่างเชียบขาจับพลันในขณะที่มีสงครามเกิดขึ้นนะคุน้าคงจาได้ว่ะเขาเติมกันด้วยว่าแลบว่าร้องนะฮะพอฝ่ายเราทำวิชาหนึ่งก็ไปฝ่ายนู้นก็ต้องมีฟ้าแลบว่ า, ร, า, าร้าราองมาทันทีแล้วสนนี่ดาวที่จะนับ ก, ก็พลึบพักขึ้นไปใช่ไหมฮะ mm hmm. เนี่ยอันนี้เป็นวิถีเติม เมตีดาของครับอีกอย่างนะฮะจะเป็นฝ้าแ้กก็าตามฟ้าร้องก็ตามนะฮะเรเป็นวิธีเดิมนมตสีดาวเราเหมือนกันย้อนมนุษย์เราสรุปแล้วก็อยู่ใต้ อ, อิทธิพลของดวงดาวซึ่งอแต่พระเจ้าจากักรพรรดิเป็นผู้รักษาคุ้มครองแต่ว่าอาจจะเป็นของฝ่ายขาวหรือฝ่ายดําเท่านั้นถ้าหากว่าฝ่ายขาวร้อยไส้ดาวนั้นอยู่อิทธิพลดาวที่ บงังคัดบัญชามนุษย์นั้นก็ให้ผลไปในทางที่ชอบที่ควรคือเป็นไปตามภาคขาวถ้าหากว่าพระเจ้าจักรพรรดิที่คุ้มครองรัศมีดาวนั้นเป็นของฝ่ายดํามนุษย์ที่อยู่ใต้อํานาจดวงดาวเหล่านั้นก็เป็นไปตามอิทธิพลของฝ่ายดําคือปฏิบัติในเสียงทางที่ผิดต่อหลักของฝ่ายขาวนั่นเองนะฮะอันนี้ อันนี้ก็มนุษย์ก็ไม่ทราบก็เน็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนทำไปนั้นนะ่ะเป็นเรื่องที่ตนคิดตนทำด้วยตนเองทั้งสิ้นหารู้ไม่ว่าถูกร้อยไส้จุงจมูกแบบอวกายให้เขาใช้แต่ถึงกระนั้นก็ตามทุกคนก็มู่หวังที่อยากจะทำดีด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าด้วยอิทธิพลของดวงดาวต่างกล่าวมาแล้วนั่นแหละที่จะทาให ใครก่อใครทำดีกลายเป็นชั่วหรือว่าทำชั่วคิดว่าทำดีฉะนั้น อ, อิทธิพลดาวที่อยู่ครอบคลุมเหนื อ, อความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยหลวงพ่อแสงก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ตามมาทีหลังก่อนที่มนุษย์จะเกิดขึ้นเพราะว่าผมจำได้ว่าหลวงพ่อแสงเคยบอกว่า มนุษย์รุ่นแรกๆทีเดียวน่ะไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของอำนาจดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เมื่อแก่มาแล้วก็แก่เป็นเพชรเป็นพลอยไปเลยคือเข้านิพพานทั้งกายมนุษย์เรียกว่านิพพานเป็นส่วนเมื่อหลังจากเกิดนิพพานทรบสามโลกกันและก็มีดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นี้มาบังคับบัญชาให้มนุษย์อยู่ใต้อิทธิพลการปฏิบัติตามที่ พระเจ้าจากักรพรรดิฝ่ายปกครองดวงดาวนั้นบังคับบัญชาก็จึงเกิดความไม่สงบต่างๆเกิดขึ้นดางที่ต้นท่าตนทมก็ได้ทรงคณะต่างๆที่เป็นท่าสั่งท่ส่งมาเพื่อแก้ไขให้ฟื้นคืนสภาพเดิมในด้านที่ ไม่มีดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และมนุษย์มีแสงรัศมีในตัวของตัวเองดังเช่นเดิมมาก่อน